ถ้าคนไทยตั้งอยู่ในหลักสี่จะไม่ตกหลุมวิกฤตถึงแม้ถล่มไปก็จะถอนตัวขึ้นสู่วิวัตรได้โดยพลันหลักธรรมสีประการต่อไปนี้เป็นหลักการใหญ่ขั้นพื้นฐานของพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสย้ำอยู่เสมอแต่ตามปกติตรัสไว้เป็นอิสระจากกันเพราะมีนัยยะโยงถึงกันหรือครอบคลุมกัน ในที่นี้ขอยกมาย้ำไว้ในที่เดียวกันถือว่าเป็นแกนแท้ที่ปฏิบัติได้ทันทีและเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทยจึงขอนํามากล่าวปิดท้ายเท่าที่เวลาจะพอมีหลักสําคัญเหล่านี้จะต้องใช้ในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะในการแก้วิกฤตของสังคมไทยและสร้างสารรค์ประเทศชาติต่อไปข้างหน้าคนไทยจะต้องอยู่กับหลักการสยอย่างต่อไป น, นี้ให้ได้ คือหหลักการกระทาคือมุ่งทำการให้สำเร็จด้วยความเพียรพยายามโดยเฉพาะความเพียรของตอนเองหลักนี้เรียกว่าหลักกรรมและความเพียรพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราเป็นกรร ม, มวาทีเราเป็นวิริยะวาทีพระองค์ไม่ได้ตรัสอย่างเดียวแต่ตรัสคู่กันว่ากรร ม, มวาที และวิริยะวาธีเราเป็นผู้กล่าวหลักการกระทำเราเป็นผู้กล่าวหลักความเพียรคนจะทำต้องมีความเพียรถ้าไม่มีความเพียรก็ก้กาวไปใ น, ในการทำไม่ได้พระพุทธศาน ส, สนาเป็นศาสนาแห่งกรรมและวิริยะให้หวังผลสำเร็จจากการกระทำด้วยเรียวแรงกําลังของตน ไม่หวังผลจากการอ้อนวอนนอนรอผลดนบันดาลจากลาบลอยจากการรวยทางลัดการทุจริตการเสี่ยงโชคการพนันเป็นต้นสรุปว่าต้องถือหลักการกระทําให้สาเร็จด้วยความเพียรขอยกพุทธพจน์มาย้าไว้ว่าภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายแม้ที่ได้มีแล้วในอดีตการ ราผู้มีประภาคเจ้าทั้งหลายแม้ที่จะมีในอนาคตการแม้เราเองผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุท ธ, ธะในบัดนี้ก็เป็นกรรมวาทะคือตรัสหลักกรรมเป็นกิริยาวาทะคือตรัสหลักการที่จะต้องทำเป็นวิริยาวาทะตรัสหลักความเพียร 2. หลักการศึกษาพัฒนาตนคือต้องถือเป็นหน้าที่โดยมีจิตสำนึกที่จะฝึกตนให้ก้าวหน้าต่อไปในการทำกุศลกรรมต่างๆที่จะให้ชีวิตและสังคมดีงามยิ่งขึ้นนี้เรียกว่าหลักไตรสิกขาตามหลักเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ที่พูดแล้วแต่ต้นว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐ ด, ด้วยการฝึก ดังนั้นในการที่จะก้าวไปสู่ความดีงามความประเสริฐสมบูรณ์นั้นชีวิตต้องพัฒนาด้วยตรายศีกขาเพื่อก้าวไปข้างหน้าชีวิตจะต้องดีขึ้นต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนต้องศึกษาต้องพัฒนาเสมอไปจะต้องไม่หมวัวหยุดอยู่กับที่ขอยกคถาพุทธพจน์แห่งหนึ่งมาไว้เตือนใจว่าเพราะฉะนั้นแล เป็นคนอยู่ในโลกนี้พึงศึกษาตามหลักไตรสิกขาเถิดสิ่งใดก็ตามที่พึงรู้ได้ในโลกว่าเป็นสิ่งผิดร้ายไม่ดีไม่พึงประพฤติผิดร้ายไม่ดีเพราะเห็นแก่สิ่งนั้นปราดทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตนั้นน้อยหนักพร้อมทั้งพุทธภาษิตว่าในหมู่มนุษย์คนที่ฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐ สามหลักไม่ประมาทในการที่จะทําอะไรอะไรด้วยความเพียรและในการที่จะพัฒนาตนนั้นจะต้องไม่ประมาทต้องมองเห็นตระหนักในความสําคัญของการเวลาและความเปลี่ยนแปลงว่าในขณะที่เราเดําเนินชีวิตอยู่นี้สิ่งทั้งหลายรอบตัวเราและชีวิตของเราล้วนไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เราจะมัวนิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้มีอะไรที่ควรจะทำต้องรีบทำต้องรีบขวนขวายไม่ประมาทไม่นอนใจไม่ผัดเพี้ยนหลักไม่ประมาทนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเหมือนกับรอยเท้าช้างที่ครอบคลุมธรรมะของพระองค์ไว้หมดแล้วก็เป็นปัดชิมวาจาของพระองค์ก่อนปรินิพานด้วยจึงถือว่าสำคัญอย่างยิ่ง ในความไม่ประมาทนี้แม้แต่สังคมก็จะหยุดนิ่งไม่ได้เพราะสังคมมีแนวโน้มว่าเมื่อไรมีความสาเร็จเมื่อไรเจริญดีมีความพรั่งพร้อมเมื่อไรมีความสุขสบายคนจะเริ่มเฉื่อยชาลงแล้วเริ่มอ่อนแรงแล้วก็เริ่มมัวเมาประมาทสังคมมักจะเป็นอย่างนั้นคือพอสบายก็ประมาทหันไปฟุ้งเฟอ้อมัวเมาหลงระเริงติดในความสุขสบายเพลิดเพลิน สำเริงสำราญลุ่มหลงในการบันเทิงไม่เร่งรัดควรขวายทำกิจหน้าที่ผัดเพี้ยนเฉื่อยชาเพราะฉะนั้นผู้บริหารสังคมจะต้องคอยกระตุ้นเตือนปลุกเร้ราประชาชนไม่ให้ประมาทมัวเมาทุกเวลาเครื่องพิสูจน์การพัฒนามนุษย์อย่างหนึ่งคือทั้งที่สุขสบายก็ไม่ประมาท ถ, ถ้าใครทำได้สำเร็จอย่างนี้เมื่อไหร่ ก็มีคุณสมบัติที่จะเป็นพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลเดียวที่จะไม่ประมาทเลยเป็นอันขาดคือพระอาหารหันต์นอกจากนั้นแม้แต่พระโสดาบันพระสกะทาคามีและพระอนาคามีก็ยังประมาทได้คือพอประสบความสาเร็จไปเท่านี้ก็พอใจว่าเราได้ก้าวหน้ามา มีความดีเยอะแล้วนะก็ชักเฉยพอเฉยลงพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเธอประมาทแล้วในพระพุทธศาสนานี้ท่านไม่ให้หยุดในการสร้างสารกุศลธรรมตราบใดยังไม่ถึงจุดหมายก็ต้องก้าวไปในตรายสิกขาโดยไม่ประมาทต้องก้าวต่อไปก้าวต่อไป พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเราไม่สรรเสริญแม้แต่ความตั้งอยู่ได้ในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ต้องพูดถึงความเสื่อมถอยจากกุศลธรรมทั้งหลายเรายกย่องสรรเสริญอย่างเดียวแต่ความก้าวหน้าต่อไปในกุศลธรรมทั้งหลายพุทธพจน์นี้แสดงหลักเดียวกันคือความไม่ประมาท สหลักพึ่งตนได้ซึ่งทำให้มีอิสรภาพการพึ่งตนก็คือต้องทำให้แก่ตัวเราด้วยตนเองจึงต้องพัฒนาตัวเองคือเราพัฒนาตนเองเพื่อให้ทำได้ด้วยตนเองเมื่อเราทำได้ด้วยตนเองเราก็พึ่งตนได้ถ้าเราทำไม่ได้เราก็ยังพึ่งตนเองไม่ได้ เราต้องพยายามพึ่งตนให้ได้แต่เราจะทำได้ด้วยตนเองและพึ่งตนได้เราต้องทำตนให้พึ่งตนได้โดยฝึกตนขึ้นไปให้ทำได้ทําเป็นพระพุทธเจ้าทรงเน้นการทำตนให้พึ่งตนได้หรือทำตนให้เป็นที่พึ่งได้มากกว่าเน้นการพึ่งตนถ้าพูดว่าให้พึ่งตนแต่เขาไม่มีความสามารถ ที่จะพึ่งตนและเขาจะพึ่งตนได้อย่างไรก็ได้แต่สัสดกันว่านี่เธอยากจนเธอก็พึ่งตนสิว่าอย่างนั้นมันจะพึ่งตนอย่างไรในเมื่อไม่มีความสามารถที่จะพึ่งตนนั้นเพราะฉะนั้นอย่าพูดแค่พึ่งตนซึ่งเป็นเพียงคําเตือนเริ่มตน้นแต่ต้องก้าวต่อไปสู่การฝึกฝนปฏิบัติซึ่งเป็นคําสอนที่แท้ว่า จงพยายามพึ่งตนด้วยการทำตนให้เป็นที่พึ่งได้แล้วทาอย่างไรจะให้ตนเป็นที่พึ่งได้ก็ต้องฝึกต้องศึกษาพัฒนาตนพอพัฒนาตนก็เข้าใจสิกขาซึ่งทำให้ตนเองมีคุณสมบัติดีมากขึ้นมีคุณภาพดีขึ้นสามารถทํากรรมต่างๆที่เป็นกุศลยิ่งขึ้นได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อมีความสามารถทำการทั้งหลายได้ดียิ่งขึ้นก็พึ่งตนเองได้พอพึ่งตนเองได้ก็ไม่ต้องพึ่งคนอื่นก็เป็นอิสระกลายเป็นว่าสามารถเป็นที่พึ่งของคนอื่นฉะนั้นการปฏิบัติในไตรสิกขาคือการพัฒนาตนและการพัฒนาตนก็ทำให้พึ่งตนเองได้และการพึ่งตนเองได้กับความอิสระ กก็็เเปนนนอััดียวความเป็นอิสระนี้ไม่ใช่เฉพาะการไม่ต้องคอยพึ่งพาขึ้นต่อคนอื่นเท่านั้นแต่หมายถึงการไม่ต้องพึ่งพาขึ้นต่อวัตถุมากเกินไปด้วยดังนั้นอิสรภาพที่สําคัญมากอย่างหนึ่งจึงหมายถึงการมีความสามารถที่จะมีความสุขในตัวเองได้มากขึ้นโดยพึ่งพาขึ้นต่อวัตถุเสบบริโภคน้อยลง คือเป็นคนที่สุขได้ง่ายขึ้นไม่ต้องเอาชีวิตไปขึ้นต่อวัตถุไม่ต้องเอาความสุขไปฝากไว้กับสิ่งเส บ, บริโภคซึ่งจะทำให้ลดการแย่งชิงเบียดเบียนกันในสังคมพร้อมกันนั้นเมื่อได้พัฒนาตนเองให้มีความสามารถมากขึ้นทั้งในการที่จะมีความสุขที่เป็นอิสระและในการที่จะทาการสร้างสรรค์ต่าง ก็จะทำให้ชีวิตของตัวเองก็ดีขึ้นและสามารถเกื้อกูลแก่ผู้อื่นหรือสังคมได้มากขึ้นพร้อมไปในคราวเดียวกันขอยกพุทธภาษิตมาย้ำเตือนอีกว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนโดยแท้จริงคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้มีตนที่ฝึกดีแล้วนั่นหละคือได้ที่พึ่งที่หาได้ยาก หลักสี่นี้สัมพันธ์เป็นอันเดียวกันแต่แยกในเชิงปฏิบัติให้ใช้ได้เหมาะสมและได้ผลจริงจังการปฏิบัติจากทุกหลักจะมาประจบประสานเป็นอันเดียวกันขอทวนอีกครั้งว่าหลักสี่ประการนี้ต้องย้ำอย่างที่สุดเพราะเป็นหลักใหญ่ของพระพุทธศาสนาและเหมาะสมยิ่งกับยุคปัจจุบันหนึ่ง ทำการให้สำเร็จด้วยความเพียรพยายาม 2. เปลี่ยนรู้ฝึกศึกษาพัฒนาตนให้ชีวิตและสังคมก้าวหน้าไปสู่ความดีเลิศประเสริฐยิ่งขึ้น 3. มมีความไม่ประมาทกระตือรือร้อนขวนขวายสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามไม่ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ สีพึ่งตนได้มีอิสรภาพพร้อมที่จะเผื่อแผ่ความสุขเป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นได้มีสี่ข้อนี้พอแล้วประเทศไทยพัฒนาได้แน่